มองขึ้นไปข้างบนก็มีตั้งแต่ดิ่งก้านสาขาใบดอกเต้นไปหมดแล้วทำไมจะไม่อ่อนใจแล้วไม้ที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นต้องมีจำนวนมากด้วยไม้ต้นเล็กๆจะมาทำบ้านทำเรือน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 ตัดไปข้นลงมาแล้วต้องเรื่อยอก็ต้องมีแบบมีฉบับการตัดการข้นการเรื่อยอะไรต้องมีแบบมีฉบับมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้วิชาไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรมีการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกัน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 ได้ยินว่าภาวนาลําบากอย่างนั้นอย่างนี้บา้างนี้แต่เรายังไม่ทํามันคิดลําบากไว้ก่อนแล้วเป็นทุกคิดทุกคิดยากคิดลําบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจเนี่ยทําให้ใจก่อนไปหมดแล้วนั่นมันก็เหมือนเราเป็นมองในต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังนั่นจะทํำยังไงไม้ทั้งต้นนี่จะทําได้อย่างไรก่อแต่ที่เรา นั่งอยู่เวลานี้มีแต่ไม้ทั้งต้นทางนั้นละ่ะเขาแปลสภาพมาเป็นกระดานพื้นเปน็นทันทันเป็นถือเป็นแพรเป็นอะไก็แล้วแต่ในช่างเขาสาเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความมุสาพยายามและความฉลาดของเขามีการบําเพ็ญจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัายความมุสาพยายามความอดความทนเช่นเดียวกัน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 ไดบ้านได้เรือนหลังสวยๆงามๆแน่นหนามันคงสง่าผ่าเผยเป็นที่ปลอดภยัยไร้ทุกโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่ไม้ทั้งต้นทําไมโลกเขาทําได้เราจะทําไม่ได้นั่นบ้านทั้งหลังโลกเขาสร้างได้ทําไมเราจะสร้างไม่ได้เขาเอาอะไรมาสร้างเขาสร้างด้วยวิธีใดแล้วก็คนคนหนึ่งทําไมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งด้วยไม้เหล่านี้ไม่ได้ล่ะนัะ่ะมันก็ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็ เช่นเดียวกันท่านผู้มีบ้านมีเรือนหลังสง่าพาเพยใหญ่โตโลหัวฐานปรากฏเด่นชัดมองมาทางไหนก็เห็นหมดกระเทือนทั่วทั้งโลกธาก็ได้เจจอมปราดทั้งหลายมีประพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันแน่นหนามัน่นคง เีกว่าเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านเรือนทั้งหลายนีหมายถึงเรือนใจแล้วท่านทำวิธีใดท่านจึงสามารถฉลัดรู้และได้ทรงผลเป็นที่พึงปรารถนาจนได้ปรากฏชื่อดีนาและได้บอกวิธีการต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประธานพระโอวาทเอาไว้นั้น เราก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความจเจริญแต่พ่ออย่างยิ่งทางหน้านจิตใจท่านทําอย่างไรแล้วก็พยายามทําอย่างนั้นะจะยากลำบากแค่ไหนกิจทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทั้งต้นเพราะมันเต็มไปด้วยหลักแกว้วหลกักปอยกิ่งการสาขาอะไรมีตั้งแต่หลักแกว้วหลักปอยของวิชาตันหาอาสวะ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 เรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสทันหาสมะไม่รู้กี่ชั้นกี่ทับกี่กันที่ได้สังสมมาเป็นเวลาไหนะพกนอกาหนดกิจลงไปไปเจออันนี้แล้วก็ทำให้อ่อนต่ความมืดตื้อก็คือเรื่องของกิเลสความมนุษยภาษีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ย มองหาทิศหาทางที่จะเป็นสาระสาคัญพอที่จะเป็นเครื่องดูด Hal ดืด่มกิตใจมันไม่เห็นมันมองเห็นแต่เรื่องของกิเลสที่จะทําให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอพยากรจิตใจทั้งนั้นนี่ในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามพวกเราท่านๆหรือครูอาจารย์ทั้งหลายที่เคยให้การอบรมัสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละแต่ก็เพราะความพยายาม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 ความสงบนั้นเกิดขึ้นจากการบังคับบรญทาเกิดขึ้นจากการสุกทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่กิจมันคิดเพ่นพ่านไปเจ้สาสั่งสมกิเลสกันเป็นยาพิษเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินของกิเลสด้วยสติปัญญาหากห้ามไม่คิดปรุงในไปในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบจากจิตใจของเรา นีเมื่อทําถูกทางทําถูกวิธีอีกก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบมากขึ้นมาสงบละเอียดละออขึ้นมานั่นทีนี้เป็นเนียกว่าเริ่มมีต้นทุนก็ เ, เหมือนเ ข, เขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแก่นของมันแล้ทีนี้แล้วยิ่งเรื่อย อ, ออกมาเป็น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 คือความสงบมีผลดีอย่างไรดังน้นความไม่สงบมีผลน้าอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชาัดเจนนี่ก็พยายามบุกเบิกจิตใจให้ก้าหน้าไปเดินลำดับหรือพยายามพูดเกี่ยสิ่งที่มันเป็นภัยต่อจิตใจหรือชํสสานะสักสางกันออกโดยลําดับลำดับจิตก็มีความสงบแน่วแน่ลงไป ส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินั้นมันมเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายในจิตใจที่เรียกว่าสันติจิตโกให้เห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติเถอะความสุขความสบายหรือความอัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกทำละสักฟอกอยู่โดยสม่ำเสมอนี้แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่ม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 แต่ก่อนไม่มีเลยมีแต่ขี้เหล็กอากไปขย่ำซะแลกหมดถ้าว่าจิตนี้เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยเลยผุยผงเปนซะอีกอาจจะเรียกได้ ว, ว่าเป็นอากาศธาตุเป็นหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแะทุกแต่ยากลาบากแค่นหนก็รับทราบอยู่โดยปกติของตนไม่มีความคีดหายเมื่อได้รับการชักว่าขึ้นมา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 ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยหรือละเอียดต่างกันเป็นลำดับนั้นแหละนี่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตที่นี่จิตไม่ค่อยโอนค่อเองนอะไรนักละ่ะเพราะมีหลักมีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตนี่ เรือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็นจัจสบายพอจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่จิตเริ่มสบายเป็นลําดับหนักลาดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ค่อยวิตกวิจาร์ว่าจะโอด่าขาดแคลนเพราะทรัพย์ําบัติเป็นเครื่องสนองมี อ, อยู่แล้วอืจิตใจเมื่อ เป็นสมบัติขึ้นพานในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจํากับใจอยู่แล้วก็มีความสมายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกไนน็ไม่ว้าวุ่นขุนมัวไม่ว้าวิมีความเย็นสบายนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือนขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญาพยายามฝึกหัดคิดค้นตามธาตุตา ม, าตามขันตามมชรณะของเราด้วย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 ในบรรดาอายุระที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาหูจมูกคลีนกายต่อถึงใจเราจะพิจารณาอายุะใดก็าตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็ต่างจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้นสื่นี้ก็ต่างย่อมเป็นทางเดินเพื่อความรู้แจ้งจริงจริงด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกัน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 ทำงานในขันนั่นก่อนแล้วก็ขายายงานออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยลําดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติที่จะพิจารานหรือดําเนินไปโดยลำดับเหมือนกับว่าก้าวเดินไปเรื่อยๆด้วยหลักธรรมคือดั่งทุกขังตาเป็นสายทางให้พาเดินไปด้วยสติปัญญาของเรา มีขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนถึงขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นไีตะล่อมกิเลสให้รวมตัวเข้ามาสู่ภาณในจิตให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วก็มีกําลังควรแตการพินิจพิจารณาท่านเตรียมให้นอนาจสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพร aho ติมหานิสั่งซ่างปัญญาที่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 มากน้อยเพียงใดย่อมมีความดุดดึงต่องานของตนโดยลําดับเพื่อจะถอดถอนจิเลสเป็นลําดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นเลยจิตย่อมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความสุขความสว่ายเมื่อเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าโดยการพิพิจารณาในแง่ทําต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั่นเข้ามาสู่สมาธิคือความเย็นสบายนี้เสีย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 เพื่อความรู้แจ้งห็จริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังสิ่งในสิ่งที่กําลังติดพันกันกับใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตน ừ, เวลานี้เดียวว่าเวลาทำงานทําให้เต็มเต็มหมดต่ตอนน้องยึดจนเต็มที่เห็นแจ้งเห็จริงอา้าวธาตุขันขันไหนถนัดกับติดในขันไหนรูปประขันแยกดูให้ดีมันมีแต่กองเนื้อกองหนังกองกระดูกทั้งนั้นปัดชาตุพิดิบเต็มอย่งนี้หมด ừ, เรามาถือทําไม แม่อายความจรินบ้างเหรือถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนเราสอนอย่างนี้ดูที่เราไปเยี่ยมป่าชาป่าชาภายนอกยังความชั่วป่าชาภายในตัวของเรานี่เต็มไปหมดเออยิ่งหน้าอินหาละอาใจ ย, ยิ่งกว่าปา่าช้านั้นมากมาแา่กองทําไมมาถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราแม่ละอายกดหลักธรรมชาติบ้างเหรือคือความจินของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทําไมเราจรึงไปยอมตนมา ต่อเขาจนมากมายแล้วก็โกทุกมาให้ตัวเองอย่างมากหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้หนักการพิจารณานี้ก็พิจารณาเพื่อแก้กความหลงของของเรานั่นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะเอ า, าธาตุเอาขันเอารูปเอาอายตนะเหล่านี้มาเป็นตนเป็นของตนเขามีความจริงอยู่อย่างไรก็พิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะได้ถึงความจริงของกิต ได้ถึงความจริงของสติของปัญญาของตอนอย่างชัดเจนทั้ง2ฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมายขอยงการพิจารณาและฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตอนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆเห็นเราพิจารณาลูป ก, ก็ไม่ได้หมายจะเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาทั้งขันวิญญาณแต่พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของรูปของกายของธาตุของขันนี้อย่างชัดเจนตามความจริงของหน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 การเป็นปเวลาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตเข้ามาสู่ความสงบแล้วภาคเสียจากนั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณาเลยนะช้ำช้ำากซากไม่หยุดไม่ถอ ย, อยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความดีถือถึงจะจะยากจะลําบากอย่างไงก็ตามเมื่อ <c oughs> เราได้ดำเนินกิจก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วจะเป็นขั้นที่มีความเพลิดเพลินต่อทั้งเหตุทั้งผลที่ได้รับมาแล้วและผลที่จะพึงได้รับในการต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี่เรียกว่าเป็นผู้เข้าใจในงานถ้าว่าเป็นไม้ก็กาลังด้วยกําลังไสากบลบเปลี่ยมของมันอย่างเทลินอ่ะก็เข้าใจวิธีทุกอย่างไม้ตกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเฉยๆกระดานเจ้าประเภทไหนเลื่อยออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเห็นอย่างชัดเจน ควรที่จส่ขบรูปเหลี่ยมไสยย่ลงไปควรจะเจาะจะสิวเจออาะลงไปเรื่อยๆตามความตลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความตลาดของผู้ปฏิบัติที่จะแยกจะแยกทักขันให้เป็นอะไรตามความจริงข้องมันแยกจะตามด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถ้อยจนสามารถถอดถอนตอนตนงตอนออกได้เช่นจากรูปทัพพิจารณาชัดเจนลงไปจนเห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วจิตจะทนไปยัดยืดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้ บางคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานันะี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสาคัญถือเอาความรอบเป็นสาคัญแล้วการเตรยียดที่อธิบายนี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูปกายของเราทั้งกายนัเก็บที่ตรงไหนกับกายของเรา ก็เป็นทุกข์ของเราสะเทือนเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับเราสิ่งภายนอก ย, งกยังไกลแสนไกลอืสิ่งนี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่ำเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงกุลมายาของสิ่งเหล่านี้อืเดี๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเสีย้ยถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงเออหลงไปยึดไปถือ หลงสำคัญว่าตนเป็นนั้นตนเป็นนี้เข้าไปแล้วก็ในขณะไดที่หลงนั่นแหละคือกิเลสได้ท่าแล้วได้เปรียบเราแล้วเราแก้ไม่ทันต้องพยายามแก้ให้ทันการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้อไม่ว่ากายพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้เทวนาไม่เกิดจากไหนเราเกิดจากกายนั่นแหล ะ, ละอาศัยกายเป็นที่เกิด แม้จะไม่รู้เรื่องกันก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรู้กับผิต อ, อกกับกายก็ตามกายเป็นการม่รับรูก้กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตโงูกเผาวบาปัญญาก็ต้องไปยืดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกอจึงต้องใช้ปัญญาเพื่รณาแยกแยกให้เห็นตามของกิของกายของเวทนาของจิตหให้ชัดเจนลงไป การพิจารณาทำขั้นนี้เพลินเพลินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมดาที่จะบอกเพลินเป็นขั้นนาบดื่นขัําขั้นสม่ําเสมอเป็นความเพลินเอาที่นี่ขั้นที่เกิดความขั้นที่จนกรอกจนมุมคืออะไรขั้นที่ทุคเวชนาเกิดมากๆนี่แหละเป็นขั้นที่หัวเรี้ยวหัวต่อขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียวฮะขับเป็นแชมเปี้ยนก็เข้มขัด แชมจะหลุดถ้าไม่เก่งทำง่ายจะให้เข็มขัดมันคงที่อยู่ได้อให้ได้ชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากลมหายใจสิ้นไปเสียท่านั้นถึงจะถอยเนี่ยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสําคัญยิ่งกว่านี้ขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไม่ตายอืขนาดที่ตายยันมันหนักยิ่งกว่านี้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 ถ้าอย่างนั้นมันฆ่าเข้ากันผพิจารณาให้เห็นชาติอย่างนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสําคัญขึ้นเวทีอันสำคัญขึ้นตรงนี้แหละเดีย๋ยว่าจนกรอหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางสู้โดยถ่ายเดียวหาทางถอยถอยไม่ได้ทุกเวทนานเราถอยไม่ได้ยังไงถอยเสลามันยิ่งเหยียบย่ำเราลงไปจนสติติตังไม่มีกับตัวเลยดีแล้วเหรอน่ะ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 ผูรู้อยู่เสมอจนกระทั่งหมดเครื่องรับราบหมดเครื่องนับรู้หมดเครื่องมือที่จะให้รู้ปล่อยตามความจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านป ร, รินิพานคือหมดเครื่องมือในขันที่จะนํามาใชา้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆปรินิปริปรรพานขึ้นหมายคขาว่าดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนี่สงครามหรือการพุทธนาให้เห็นจริงเห็นจัง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 เราต้องการความไม่มีหวังเราต้องการความปลอดภัยไม่มีอะไรมายั่วยวนจิตใจเราให้เกิดความรุ่มหลอง<ม>ทุกขเวชนะเบชนาเป็นของจริงก็จริงใจกิดจคิเลสมันมันทอบแทรกเสมอทอบหลอกเสมอถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงกลมันได้ทึงต้องใช้ปัญญาที่ชนะหย่ามีแจ้งชัดเจนนี่เราพูดถึงเรื่องขั้นขั้นเรื่องธาตุเรื่องผัน รูปธาตุรูปประขันกับเวทนาขันแสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เวทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเรากายเราจริงอยู่ในถ้ำกลางอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้กระดังกันเข้ามากระทบเลยกลายเป็นเนื้อบนเขียงไปได้ท้งหนึ่งหมุนขึ้นมาเขียงหนุนขึ้นมามีดสับลงไป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 ถาเราเป็นผู้ฉลาดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราจะให้จิตของเรามีความแหลมคมเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องรัาเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความเฉลียฉลาดขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความฉลาดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเวทีอันสําคัญในการเผ่าหนอก เราพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากับกายกับจิตอาที น, นี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาโดยทุตภาค ท, ทั่วไปในสัจธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงสูงสุดเราก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ก็พิจารณาอย่างนี้เวลาไม่เกิดเรื่องก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งต่อยวางได้อีกเช่นเดียวกัน อวิชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจะยาวิญญาณนวะิญญาณปัจจะนามรูปังเรื่อยๆมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นธรรมะทิฏฐิภูตัตงอวิชาปัจจยาสร้างขาราท่านว่าทิฏฐิภูตัตงหมายถึงจิตอวิชาอาศัยจิตเป็นอวิชาปัจจยาสร้างขาราขึ้นมาฉะนั้นจึงต้องพิจารณาลงไปที่นั่นลงไปที่อวิชาปัจจยาสรางขาระมันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิต มีจิตเป็นท you know, yes. like right? right, ี่อาศัยของวิชาไม่มีจิตอวิชาอาศัยไม่ได้นะจึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่นั่นทำละอันนี้นั่นสราดฟันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญาทันสมัยอวิชาขาดกระจายหมดอวิชาวฏิเวรห์าคือิบถึงที่นี่กันดับดับดับดับเลื่อยไปเรียนเมตตาใเวลาจับตุ๊กขั้นเมตตาใจรวมทั้งหมดสมอไมโรโทโฮตินา ในเบื้องต้นของวิชาว่าสมุทรโยโหติพอกลายเป็นอวิชาวตัตถยาเเสวะสัจจากานิรโรธาทั้งการนิรโรธาแล้วก็เป็นนิโรโทโหติเอวเมต ส, าสาักเทวะสักดุขขันณฑะนิโรโทโหตินั่นเหยียบลิกกันเพียงเท่านั้นกลายเป็นนิรโรดดับสนิทขึ้นมาภายในจิจคือดับกิเลสอย่างสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นเป็นขั้นสุดท้ายหองการสร้างบ้านสร้างเรือน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 ดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าทุกขสาเนิ่นตะลังสุขขังสุขเกิดจากเรื่องความทุกข์คือการประกอบทุกข์ซะก่อนก่อนจะได้ความสุขนี่การประกอบความาเา่เทียมจะเป็นของง่ายๆเมื่อไหรต้องแบบแต่ความทุกข์ด้วยการกระทําทั้งนั้นนักก็ทําเบาก็ทํำนักก็ทุกเบาก็ทุกเนื้ว่าจนมาตั้งถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ที่ทเกิดเนื่องมาจากการกระทํานั่นแหละง่า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 เรียว่าเป็นที่จะทําให้มีความลื่นลึงเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องดีสบายสบายในระหว่างขันกับจิตที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว ส, สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนะจากนั้นแล้วคําขึ้นมาขึ้นถึงคําว่าบิดมุมดคืหลุดไปเลยจากธตุขันไม่เพียงแต่บรรลุจากที่เดียวแล้วปล่อยจากธาตุขันไปแล้วหมดคําพูดที่จะพูดกัน อีกต่อไปทิ้งขอยุติการแสดงเพื่อนทอง